จากข้อความในขันธปริศหรืออหิสูตรกล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีพระคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมที่พระองค์ปฏิบัติตรัสรู้แสดงแต่งตั้งเปิดเผยพระธรรมนั้นก็เป็นพระธรรมที่มีพระคุณหาประมาณไม่ได้หมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติตรัสรู้ธรรมตามพระองค์นั้นพระอริยสงฆ์เหล่านั้นก็มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ การกล่าวอ้างเอาคุณของพระรัตนตรยัยพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังขรัตนะซึ่งเป็นรัตนะที่มีค่าหาประมาณไม่ได้อโนภาพแห่งการนอบน้อมพระรัตนตรายนั้นช่วยป้องกันให้เราทั้งหลายพ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงเพราะว่าในขณะที่เราตามระลึกนึกถึงตามนอบน้อม คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ในขณะนั้นจิตของเราเนี่ยไม่มีราคาเป็นจิตที่ปราศจากราคาเป็นจิตที่ปราศจากโทสะเป็นจิตที่ปราศจากโมหะเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยศรัทธาเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสติมีหิริโอต ป, ปะมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาถ้ายิ่งเข้าใจรอบรู้ในคุณของ พระรัตนตรัยเท่าใดปัญญาทั้งหลายก็เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปมันผู้ที่เจริญพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บ่อยๆเขาก็ชื่อว่าปลูกศรัทธาเอาไว้ในพระรัตนตรยัยนะนปลูกศรัทธาไว้ในพระรัตนตรยัยปลูกสติปัญญาเอาไว้กับพระรัตนตรยัยซึ่ง ถ้ากล่าวถึงเรื่องการทำบุญให้ทานหรือการทำบุญทำกุศลทั้งหลายก็มีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นในบรรดากุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นอุปการะมากต่อการตรัสรู้ธรรมต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานกุศลธรรมที่เกื้อกูลต่อการทำที่สุดแห่งวัตทุกข์กุศลธรรมอันนั้นต้องปลูกฝังไว้ที่พระัตนาตัตาย ปันเราต้องหมั่นเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินี่เอาไว้ให้มากเพราะว่าเชื่อว่าปลูกฝังบุญกุศลปลูกฝังสติปัญญาปลูกฝังคุณธรรมที่นําออกจากวัตทุกข์และก็ผู้ใดที่มีศรัทธาปลูกฝังกุศลธรรมเอาไวใ้ในพระรตนะตรายกุศลธรรมเหล่านี้จะผลิต ด, ดอกออกผล เป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยให้เขาตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าให้เข า, เารู้เห็นธรรมที่พระองค์แสดงแล้วก็ได้ปฏิบัติดีเช่นกับพระเรียเจ้าทั้งหลายานะปรรดาพระเรียเจ้าที่ปฏิบัติแล้วถึงความพ้นทุกข์ในอลคัทถุปมะสูตรตอนท้ายพระสูตรพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเพียงมีความรักในพระองค์ ผู้ใดเพียงมีความเชื่อหรือความเลื่อมใสในพระองค์ชนเหล่านั้นมีสุขติเป็นเบื้องหน้านะชนเหล่านั้นมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าอันนี้พระองค์ตรัสไว้ในตอนท้ายอละปประคะโทปมสูตรมัชิมนิกายมูลปันณาตหรือแม้บางที่ภาษาบุทรก็กล่าวว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งประนมอัญเชลีต่อพระองค์ หรือถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะหรือยังใจให้เลื่อมใสในพระองค์กุศลธรรมเหล่านี้ก็ยังช่วยให้พ้นจากทุกได้ทำให้ข้ามพ้นจากภพเนี่ยนะมันผู้ที่ปลูกฝังกุศลธรรมเนี่ยนะถ้าใครที่คิดแบบนักเพาะปลูกทั้งหลายกุศลจิตกุศลธรรมที่เพาะปลูกลงในพระตนตรยัยเนี่ยนะถือว่าเป็นกุศลจิตที่มีค่าหาประมาณ มิได้จริงๆอย่างในอันนิสง์ของความเลื่อมใสเนี่ยนะที่กล่าวถึงบุญยะประสาทสูตรหรือว่าอภิสันทสูตรเนี่ยนะที่กล่าวถึงว่าโดยเฉพาะในอภิสันทสูตรอังคุตรนิกายจตุกานิบาศกล่าวว่าผู้ที่เจริญพุทธานุสติเนี่ยนะตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า เชื่อว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลที่เป็นปัจจัยนํามาซึ่งความสุขโดยการที่เราตามระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆเป็นห่วงเป็นเป็นห่วงบุญห่วงกุศลสายทานแห่งบุญสายทานแห่งกุศลและกุศลธรรมที่เกิดจากการเจริญพุทธานุสตินั้นไม่มีผู้ใดจะนับจะประมาณได้ว่าบุญกุศลที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นั้นจะมีเท่าไหร่ เพราะไรเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ก็เหมือนอย่างว่าถ้าเราใช้ไฟโดยใช้แสงสว่างอื่นๆในโลกนี้สายตาของเราก็เห็นแคบๆเช่นเราใช้แม้กระทั่งตองกลางคืนฟังธรรมเนี่ยนะถ้าใช้แสงนีออนใช้แสงแตะเกียงแสงเทียนแสงไฟเหล่านั้นก็ส่องให้เห็นเฉพาะแคบๆถ้าถามว่าถ้าเราใช้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ตอนกลางวันล่ะ ที่ปราศจากเมฆหมอกและอากาศไม่อบอ้าวร้อนรนเนี่ยนะแสงสว่างซึ่งกาลังดีเนี่ยจะสว่างสวัยมองเห็นขนาดไหนฉันใดนะแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ในโลกนี้ก็นับว่าสว่างมากฉั้นใดใจเหล่าใดที่โครจรไปในพระพุทธคุณทั้งหลายใจเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นใจที่สว่างสวัยด้วยบุญกุศลเป็นอย่างมากเป็นใจที่ประกอบด้วย ปัญญาเป็นอย่างมากเพราะนบุญกุศลที่เกิดจากการเจริญพุทธานุสตินั้นเจึงไม่มีใครสามารถนับได้นะเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ควรบูชาอย่างแท้จริงพระองค์ที่ควรบูชาก็เนื่องจากว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สร้างบารมีคือพระองค์เป็นผู้ที่มีบารมีมีอ่าปุพพจริยาคุณมีพระรีระคุณมีพระพุทธคุณมีพระพุทธกิจ คือพระองค์เป็นผู้ที่มีคุณธรรมสมควรแก่ความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะั้นถ้าหากว่ากุศลจิตของเราทั้งหลายเป็นไปท่องเที่ยวไปในคุณของพระพุทธเจ้าอย่าคิดเลยว่าบุญเหล่านี้เป็นบุญที่เล็กน้อยช่วงหลังเนี่ยนะช่วงหลังที่ไปไหว้พระเจดีย์ทั้งหลายเนี่ยนะมันก็พยายามว่าทําอย่างไรใจของเราจะได้โคจรไปในคุณของพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะ มากได้ให้ใจโครจรไปในพระธรรมและในพระสงฆ์สาวกของพระองค์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะนั่นแหละชื่อว่าเป็นการปลูกฝังบุญกุศลเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ที่เราปลูกฝังเอาไว้อย่างดีขุมทรัพย์เหล่านี้ถ้านำเกิดต่อไปในชาติต่อๆไปเราก็จะเป็นผู้ที่มีสติและก็มีปัญญาเนี่ยนะเป็นผู้มีสติมีปัญญาโดยมากประชาชนทั้งหลาย เน้นทำกุศลเน้นเจริญกุศลซึ่งก็ไม่ผิด น, นะเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วละคือเช่นให้ทานกลัวตัวเองจะเดือดร้อนในอนาคตเนี่ยนะเน้นให้ทานเน้นรักษาศีลกลัวชีวิตอายุจะไม่ยืนกลัวโพคาจะไม่ยั่งยืนกลัวจะมีศัตรูคู่เวรเป็นต้นแต่ขณะเดียวกันไม่มากสักเท่าไหร่ที่เจริญปัญญาว่ากลัวชาติต่อต่อไปจะโง่เขลาเนี่ยนะนะไม่มากปริมาณจริงๆแล้ว ประชากรกลุ่มนี้จึงไม่มากเพราะนั้นผู้มีปัญญาจริงๆนั้นจึงไม่มากที่ปัญญาบุคคลทั้งหลายมีปัญญาไม่มากกเพราะว่าเขาไม่พยายามปลูกฝังสติปัญญาเอาไว้ที่ใจของเขาเนี้การที่จะปลูกฝังสติปัญญาเนี่ยนะพุทธานุสตินี่แหละธรรมานุสติสังขานุสติอนุสติทั้งหลายเหล่านี้เป็นที่งอกงามเป็นที่เจริญเติบโตของสตินนะ สติโคจรไปในพระพุทธเจ้าพันชาต่ตอต่อไปพบต่อต่อไปก็กลายเป็นผู้ที่มีสติเพราะ ป, ปลูกฝังสติเอาไว้ดีแล้วถ้ารอบรู้ในคุณของพระพุทธเจ้ารอบรู้ในคุณของผู้มีปัญญาเท่าใดเราก็ชื่อว่าปลูกฝังปัญญาเอาไว้เท่านั้นเนี่ยนะต้นสติต้นปัญญาอันนี้แหละที่จะช่วยปกปัก ร, รักษาให้เรานั้นไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาลต้นศรัทธาสติปัญญาเหล่านี้นี่แหละ จะช่วยให้เรานั้นเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยสติและปัญญาเป็นผู้ที่ไม่โง่เขลาหลงงมงายกลายเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมากด้วยพุทธานุภาพด้วยบุญกุศลที่เจริญไวในพระรัตนตรยัยเนี่ยนะเพราบุญกุศลที่เกิดจากการตามระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยเนี่ยนะเป็นทั้งอุปนิสัยเป็นทั้งอัธยาศัย แล้วก็เป็นทั้งกรรมมปตัดใ จ, จที่ให้ผลหาประมาณไม่ได้ฉะั้นบุญกุศลที่เกิดจากการนอบน้อมพระตนตรายรู้ในคุณพระตนตรายนั้นเป็นสิ่งที่อ้างอิงแล้วพ้นจากอันตรายทั้งปวงได้อานะอ้างเอาคุณพระตนตรายแล้วอนะอย่างที่เราสรรเสริญหรือกล่าวถึงข้อความในมงคลจักรวาล น, น้อยที่บอกว่าอ่อ้างเอาคุณ อ้างอนุภาพของพระพุทธเจ้าอ้างอนุภาพของพระธรรมอ้างอนุภาพแห่งพระสงค์อ้างอนุภาพแห่งพระรัตนตรยัยอาศัยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันนี้ทำให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายอุปัวะนิมิตร้ายและอวะมงคลทั้งหลายออกไป อ, นะอ้างเอาคุณพระรัตนตรัยนั้นสามารถที่จะกาจัดโรคได้ โรคที่มีกรรมเป็นสมุทฐานบางอย่า ง, างนะโรคที่มีจิตเป็นสมุทฐานานะโรคที่มีกรรมเป็นสมุทฐานบางกลุ่มโรคที่มีจิตเป็นสมุทฐานบางอย่างอ้างเอาพุท ธ, ธานุภาพก็ช่วยปกปกักรักษาได้หรือภัยทั้งหลายความสะดุ้งกลัวแห่งใจเนี่ยนะ ใ, ใ, ใ, ใจที่สะดุ้งกลัวเมื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก็หายสะดุ้งกลัว us, อันตรายทั้งภายในและ อันตรายภายนอกอันตรายปกปิดและเปิดเผยอันตรายเหล่านั้นก็สามารถระงับไปอุปทวะเนี่ยนะสิ่งชั่วช้าเลวร้ายนิมิตร้ายลางร้ายอาวมมงคลทั้งหลายก็ปราศจากไปเพราะอาศัยคุณของพระรัตนะไตรคือบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้ามากๆแล้วเนี่ยนะแก้ปัญหาได้จริงหรือบอกแก้ได้จริงหนึ่งขณะที่เราคิดถึงพระพุทธเจ้านะตอนนั้นเราฉลาดที่สุดแล้วละ่ะ นนะถ้าฉลาดคิดเรียกว่าตอนที่คิดถึงพระพุทธเจ้าฉลาดเท่านี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้ไม่รู้จะไปแก้ได้ตอนไหนตอนโง่เข่ามันแก้ไม่ได้อยู่แล้วล่ะเั้นตอนที่เราคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถือว่าฉลาดมากแล้วเพราะฉะนั้นสา ม, มารถทําให้แก้ปัญหารักษาทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงออกไปได้และคนที่เจริญพุทธานุสติก็ถ้าว่าเป็นคนฉลาดมีปัญญาเพราะนั้นปัญญานี้เป็นเหตุให้อายุยืน เพราะอะไรเพราะสามารถที่จะบริหารชีวิตให้อายุยืนผู้ที่มีปัญญาก็สามารถที่จะหาทรัพย์ได้ผู้ที่มีปัญญาก็เป็นผู้ที่มีเสเรมีบริวารมีกำลังมีวันะงามและก็เป็นผู้ที่มีความสุขเนี่ยนะพันธุ์อนุภาพของภารตะนาตรายนั้นทำให้ประสบแต่ชัยชนะประสบความสําเร็จลาภความสวัสดีความมีโชคพันธุ์สิ่งที่เรียกว่าของดีๆทั้งหลายอาศัยคุณของ พระรัตนตรยัยพัานผู้มีปัญญาทั้งหลายเวลาจะให้พร น, นั้นโดยมากจะอ้างเอาคุณของพระรัตนตรยัยอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยช่วยปกปักรักษาให้ท่านปราศจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงเนี่ยนะเพราะว่าพระรัตนตรัยนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปราศจากภัยทั้งปวงพระธรรมก็เป็นเครื่องช่วยให้พ้นภัยพระสงฆ์ทั้งหลายก็ปฏิบัติธรรมเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็ปฏิบัติธรรมพ้นจากภัยทั้งปวง